ต่อไปข้อ11บสัตตมีวิพัฒน์ในอัตภาวะลักษณะภาวะลักขณะนี่แปลว่าลักษณะให้กําหนดจดจําคําว่าลักษณะนี่แปลว่าเครื่องหมายให้สังเกตรูร้ได้ว่าคืออะไรอย่างเช่นคนผมยาวๆก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนผมสั้นๆก็รู้ว่าเป็นผู้ชายคนไม่มีผมเลย ก็ให้รู้ว่าเป็นภิกษุกษ <laughs> มีครึ่งเดียวออาจยังไม่ได้พูดถ้ามีผมครึ่งเดียวนี่คนหัวล้าน <laughs> เป็นอันนี้เขาเรียกว่าภาวะลักษณะเป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่งให้ก ำ, ำหนดจดจำได้ว่าถ้าพูดถึงลักษณะอย่างนี้หมายถึงสิ่งนี้ มาดูตัวอย่างคําแปลให้แปลว่าเมื่อหรือครั้งเมื่อนะตัวอย่างข้อหนึ่งพิกขุสังเคสุโพชนียมาเนสุคโตพุเตสุอาคโตใครก็ตามประธานเนี่ยไม่มีมีแต่กิริยาวาคโตอาคโตไปแล้วก็มาไปเมื่ อ, อไหร่มาเมื่ อ, อไหร่มีอะไรเป็นเครื่องหมายกําหนดให้รู้ว่าเขาไปเมื่ อ, อไหร่เขามาเมื่ อ, อไหร่พิกขุสังเคสุเมื่อมูแห่งพิกษุ หรือเมื่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโพชนียะมาเนสุฉันอยู่กําลังฉันเมื่อภิกษุสงฆ์กําลังฉันฆาโตไปแล้วคือเขาไปเนี่ยตอนพระกําลังฉันพอดีไม่เกี่ยวกับพระใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันครั บ, เ, รบเอาเครื่องหมายให้กําหนดรู้ครับเหมือนกับไปตอนไหนไปตอนไก่ขันอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> <laughs> ไปตอนไหนไปตอนดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างเนี้มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับดวงอาทิตย์ครับแต่ว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นลักษณะกําหนดรู้ได้ว่าไปเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ถ้าไปตอนเช้าก็เลยไม่รู้ว่าเช้าตอนไหนเช้ามันตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็พุทเตสุฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วหรือว่าฉันแล้วอาคาโตมาแล้วไปเมื่อพิกษุกําลังฉันมาเมื่อพิกสุฉันแล้ว พุเตสุมาไงครับเอา้าพุเตสุุชัดธาตุปัจจัยธรรมดาเนี่ยครับ<อ>สุไม่ต้องถามครับคือสัตมีวิพัฒน์นะลบพยัญชนะที่สุดธ า, า, า, าตุแล้วซ้อนตะครับพุชัดธาตุปัจจัย<อ>ลบชะแล้วก็ซ้อนตะ<อ>ก็จะเป็นพุตตะตาก็<อ>ตัวนี้เป็นกรรมนะครับเอาไม่ใช่กรรมเป็นกัร์ดครับไม่ใช่กรรมเป็นกัร์ด ไปตอนพระกําลังฉันมาตอนพระฉันเสร็จโภชนียะมาเนสุมาจากโภชนียะบวกมานะมามีปัจจัยสองปัจจัยนะโพชะนะบวกอะโพชะบวก อ, อนียะบวกมาณนะโภชะก็มาจากผู้ชนธาตุเดียวกับพุทธศัพท์นี่แหละนะผู้ชนธาตุ อ, อนียะปัจจัยและมาณะปัจจัย ถาโภชนียะเนี่ยแปลว่าควรกินควรบริโภคอ น, นิยะแปลว่าควรโภชนียะควรบริโภคควรกินก็เหมือนกับอะไรนะขาธนียะโภชนียะขาธนียาอาหารโภชนียาหารอาหารที่ควรกบเคี้ยวอาหารที่ควรกินส่วนมานะปัจจัยนั้นนะ่ะแสดงความเป็นปัจจุบันแปลว่าอยู่หรือแปลว่ากําลัง โภชนียะมาเนสุกําลังฉันกําลังฉันของที่ควรฉันก็หมายถึงว่าตื่นเช้ามาพิสุควรฉันเวลาไหนบ้างอควรฉันเช้าเวลาประมาณ7จ็ดโมงควรฉันเพลิเวลาประมาณ11บเอโมงอย่างเนี้ยต้งใช้โภชนียะถ้าไม่งั้นก็กําหนดไม่ได้นะถ้าใช้คําว่าพุทธอะไรนะถ้าใช้คําว่าไม่เอาอนิยะนะเอามาณให้เฉยเป็น โชมาเนสุอย่างนี้ก็แปลว่าไปตอนพระฉันก็เลยไม่รู้พระฉันตอนไหนแต่ว่าฉันในเวลาที่ควรฉันเนี่ยเมื่อพิสูนฉันตามเวลาที่ควรฉันเนี่ยชัดเจนชัดเจนดีก็คือฉันเช้าหรือฉันเพลนก็รู้ไปตอนพระกำลังฉันกลับมาตอนพระฉันเสร็จข้อสองโคสุ ทุยหะมาเนทุยหามานาสุขะโตแล้วก็ทุทธาสุอาคาโตให้ดูคำว่าโคสุนะรู้ไหมโคสุเนี่ยเป็นลิงอะไรโคสุเนี่ยลิงอะไรโคสุ <laughs> ดูนะโคสุเมื่อโคทั้งหลายทุยหะมานาสุถูกรีดนมอยู่ อ้ารีจะรีดตัวผู้หรือตัวเมียดีรีด ต, <c oughs> รตัวเมียนั้นโคสุเนี่ยเป็นอีถีลิงโอโอเป็นอีทีลิง <c oughs> เพราะว่าโคเนี่ยมันเป็นได้สองลิงจําได้ไหม <c oughs> เป็นปุงลิงและอีถีลิง <c oughs> ขณะที่เขากําลังรีดนมโคอยู่อะคาโตออกไปทุทาสุรีดเสร็จแล้วอาคาโตก็กลับมา แสดงว่าสองสองประโยคนี้พระกําลังฉันหนีไปเ่อพระฉันเสร็จกลับมาในขณะที่เขารีดนมก็หนีไปเพราะเขารีดเสร็จกลับมานี่หนีงานแลเนี่ย <S <S มาดูทุยหะมานาสุนสุเฉยทุยหามาน า, นะ า, ม า, นา ท, ที่เป็นมานาไม่เป็นมาเนเนี่ยเพราะว่าเป็นอิถีลิงถ้ามาเน่สุเนี่ยเป็นปุงลิงถ้ามานาสุเนี่ยเป็นอีถีลิง มนะัคือมานณะปัจจัยเหมือนกันกับมาเนสุอันเดียวกันเลยทุยหาเนี่ยมาจากทุหะธาตุและลงยะปัจจัยในกรรมทุหะนะทุหะส่วนลงยะเนี่ยลงหลังจากหะเคยบอกใช่ไหมว่าถ้าหะกับยะเจอกันเมื่อไหร่จะสลับตำแหน่งกันนะยังจําได้ไหมถ้าลงยะปัจจัยมามีพยัญชนะธาตุเนี่ยเป็นหะก็จะสลับตำแหน่งกลับหน้ากลับหลังดังนั้นทุหะยะเลยเป็นทุยหะ มาจากทุหะบวกยะบวกมานะแล้วก็อาอีถีลิงสุสัตมีทุหะยะมานะอาสุจึงแปลว่าถูกรีดทุหะ่าในแปลวังรีดรีดนมใช้กิยารีดนมโดยเฉพาะเลยต่อไปอรูปวุต ท, ทาทุทาสุนะ ทุธาสกุก็เหมือนกับทุยหานี้แต่ว่าลงปัจจัยคนละตัวทุธาเนี่ยลงตะปัจจัยลงตะปัจจัยทุห่าธาตุแล้วก็ตะปัจจัยอาแล้วสุเหมือนเหมือนกันวิธีทําก็คือตะเป็นทอทงแล้วก็ห่าเป็นทอทหารก็เหมือนกับพุทธะเหมือนกันลงตะปัจจัยพุทธะธาตุตปัจจัยเอาตะเป็นทอทงอันนี้ทุห่าก็หาก่าเป็นทอทหาร ตาเป็นท้อทงหะเป็น ท, อ ท, นทอ้อทหารเลยได้รูปว่าทุทธาสุแปลว่ารีดแล้วเมื่อโคถูกรีดนมอยู่เขาก็ไปเมื่อโคถูกรีดเสร็จแล้วเขาก็ม า, าเขาไปตอนตอนตอนโคกํลาลังถูกรีดนมกลับมาตอนโคถูกรีดนมเรียบร้อยแล้ว สประโยคนี้ชี้ลงไปเลยว่าตัวไหนคือภาวะลักณะชี้ลงไปตัวไหนคือภาวะลักณะภาวะลักณะคือสัตมีวิพัฒน์ใช่ไหมนั้นมันมีสัตมีวิพัฒน์อยู่สองตัวสามตัวเนี่ยชีย้ลงไปเลยว่าตัวไหนคือลักษณะชี้ลงไปตัวไหนคือลักณะบอกมาเลยมไม่ทั้งเอาประโยคแรกก่อนประโยคข้อหนึ่งก่อน มีเท่านี้เองเลยสัตมีวิพัฒน์เนี่ยเท่านี้เลยอ่านั่นแหละตัวไหนที่ลงสัตมีวิพัฒน์นั่นแหละเป็นภาวะลักษณะพิฆูสังเคสุก็เป็นภาวะลักษณะโภชนียามาเนสุและพุทเตสุก็เป็นภาวะลักษณะเหมือนกันข้อสองโคสุทุหามานาสุและทุทถาสุเป็นภาวะลักษณะ เป็นตัวบ่งบอกว่าเข้าไปเวลาไหนเขาไปตอนไหนเขามาตอนไหนเป็นเครื่องหมายกำหนดให้รู้ได้ต่อไปดูข้อ3ชายามาเนโขสังริปุตตะโพธิสัตเตอยังทัสสะสหั ส, สีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกปัมปิสัมปเวทิสังริปุตตะเป็นอารพนาแปรก่อนเลย สางรีปุตตะแปลว่าแป ล, ลปรัปณะว่าดูก่อนสางริบุตร ท, ทีนี้ก็หาสัตมีวิพัฒน์ตัวไหนคือสัตมีวิพัตน์อยู่ในเนชี้ลงไป<อ>ชายะมาเนห่หนึ่งตัวโพธิสัตเตอีกหนึ่งตัวระหว่างชายะมาเนกับโพธิสัตเตจะแปลตัวไหนก่อนชายะมาเนแปลว่าเกิดอยู่โพธิสัตเตแปลว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ แล้วก็แปลโพธิสตัตเ์ก่อนโพธิสัเตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ชายมาเนเกิดอยู่หรือประสูตรอยู่อยังเป็นตัวขยายทะสศสหัสิทะสศสหั ส, สิก็ขยายโลกทาตุ สั ง, ก, สงกัมปิสัมปกัมปีสัมปเวทีเป็นกิริยากิจ เ, เป็นกิริยาขยาตัตอชะตนีวิพัตแปลว่าแล้วทั้งหมดเลยท่าสานี่แปลว่าสิบสหัสสานี่แปลว่าพันสิบคูณพันหรือพันคูณสิบก็คือเลขนี้บอกว่าสิบพันนะสิบพันก็แปลก็แปลว่าหนึ่งมืน่นอะยังท่า ส, สหัสสิโลกทาตุโลกทาตุหนึ่งมืนนี้ โล ก, กธาตุหนึ่งมนี้สังกัมปิสังกัมปิก็แปลว่าสะเทือนสัมปกัมปิเลื่อนลั่นสัมปเวทีวันไหวในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูตรนั้ น, นะ น, นหนึ่งหมื่นโล ก, กธาตุสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวพูดง่ายก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงแผ่นดินเท่านั้นนะหนี่หมื่นโล ก, กธาตุเลยนะ ถ้าแผ่นดินเนี่ยโลกกระธาเดียวเองนี่หนึ่งหมื่นโลกกระธาดคือวันไหวไปทั่วจักรวาลหนึ่งหมืนโลกกระธาดนะมีโยมผู้หญิงคนนึงว่าถามถามว่าทาไมถึงต้องมีคำกระธาดมาต่อท้ายด้วยครับทำไมหนึ่งหมื่นโลกอย่างนี้เลยครับเขาาเป็นลูกทำไมถึงต้องมีคำกระูกเลยเล ท, าาท่านเฉยๆ <c oughs> โลกธาดเป็นคาเป็นคาสามัญธรรมดานี่เองครับ <c oughs> ถ้าโลกเฉยๆเนี่ยครับมันไม่ได้หมายถึง เดี๋ยวเขาถามว่าหนึ่งมื่โลกโลกไหนอีกเขาว่าโลกกัธาตุเนี่ยนับเอาว่าโลกกธาตุหนึ่งโลกกับธาตุหนึ่งะในหนึ่งจักรวาลเนี่ยมีโลกกัธาตุอยู่หลายโลกกธาตุครับถ้าเรียนในในอภิธรรมจะมีแสดงไว้เยอะโลกกธาตุในหนึ่งจักรวาลโลกกธาตุในหลายๆจักรวาลอย่างในในจักรวาลหนึ่งมีทวีปกี่ทวีปในทวีปหนึ่งมีกี่โลกกธาตุ ดังนั้นชายามาเนสุชายามาเนโพธิสัตว์เตตัวนี้แหละเป็นภาวะลักษณะเป็นตัวกําหนดเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าถ้าถามว่าแผ่นดินไหวตอนไหนแล้วก็บอกว่าตอนพระโพธิสัตว์ประสูติเป็นภาวะลักษณะบอกให้รู้ได้ว่าพอพระโ พ, พธิสัตว์ประสูติแผ่นดินก็ไหวแผ่นดินไหวก็ตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูติต่อไปข้อสี่เป็นคาถา จากมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตัธกถาปาสานาสังราเจวะกะทาราขานุกันตากาสพเพมัคขาวิวัตเชนติคัตฉันเตโลกนายเกเห็นสัตมีวิพัตไหมตัวไหนเป็นสัตมีหาก่อนคัตฉันเตโลกนายเกเป็นสัตตมีวิพัตเป็นภาวะลักษณะ คัดฉันเตแปลว่าเสด็จไปอยู่เป็นปัจจุบันโลกานายเกแปลว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าโลกานายกโลกานายโกผู้ชี้นําสัตว์โลกผู้คนอะไรนะเขาเรียกว่าผู้นําของโลกโลกานายเกแปลเป็นสัตตมีว่าเมื่อโลกานายเกเมื่อพระพุทธเจ้า คัดฉันเตนเสด็จไปอยู่ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปาศานาก้อนหินทั้งหลายสักขังราก้อนกรวดทั้งหลายกะถลาเศษอิศเศษกระเบื้องทั้งหลายเจวะและ เอาเจวะมาไว้แปลทีหลังเขานี้ก็ได้เจวะและขานุกันตะกาขานุแปลว่าต่อกันตะกาแปลว่าหนามต่อและหนามทั้งหลายสัพเพทั้งปวงสัพเพขยายหมดเลยที่ว่ามาหาชนิดนั่นแหะสัพเพทั้งปวง วิวัฒเฉนติย่อมหลีกออกย่อมหลีกออกมักคาจากหนทางพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปไม่ว่าก้อนกรวดก้อนหินคือพูดง่ายอะไรครูครูคะที่จะทิ่มแทงพระบาทให้ไม่สะดวกในการเสด็จเนี่ยนะลีกออกจากหนทางหมดเลยเป็นทางเรียบสม่ำเสมออนุภาพอันนี้เป็นพุทธานุภาพโดยเฉพาะนะ เราเนอะเลยเดินสะดุดสะดุดแล้วยังไปโกรธมันอีกนะแทนที่จะขอโทษมันนะไปสะดุดมันแล้วโกรธมันอีกตัวไหนแปลไม่ทันป่าสานะเวลาใครเคยไปทาไปร่วมงานผูกพัทสีมาฝังลูกนิมิตไหมมีไหมเคยไปไหม เคยเห็นพระยืนล้อมวงเยอะๆแล้วสวดอะไรไหมเคยครับงานฝังลูกนิมิตนะนั่นจะมีคําว่าปาสาโนด้วยองค์ทักนิมิตเขาเรียกว่าสวดทักนิมิตองค์หนึ่งก็จะสวดแล้วก็ไปเดินถามว่าด้านทิศตะวันออกมีอะไรเป็นนิมิตท่านองค์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็จะบอกว่าปาสาโนพันเตก้อนหินครับก้อนหินต้องมีก้อนหินทํานิมิตเขาเรียกว่าลูกนิมิตนะ ศักขังกลางีก้อนกรวดก็คือก้อนหินเล็กๆน้อยๆปาสานา น, นิก้อนหินใหญ่ๆสักค า, าระนี่ก้อนหินเล็กๆกาธาราเศษอิดเศษกระเบื้องเศษอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ก้อนกรวดก้อนหินน่ยขานุตร์แล้วก็กันตกะนามขาโนวารรักนี่ขาโนวร์รักรักษาต่อมีพระค ร, ร, รูขานุวรรักอำเภอขานุวรรักจากรน้ำเพอชื่อพระครูขานุวรรักด้วย <Okay. S 1> พระครูรักษาต่อ กันตะกะน้นามน้ำตาลกรวดนี่ก็สัคาราลน้ตาลกรวดเลยน้ำตาลกรวดสักข า, า, กากรเาเมล ก, <น>ก็ต้องใช้น้ำตาลน้ำหน้าด้วยมะทุสักคาราน้าตาลกรวดขาขาถ้าชาโน้ตไปว่าเขา <c oughs> ขานุตอ <c oughs> ลองแปลดูสิข้อหนึ่ง พิกุสังเคสุโพชา น, นียะมาเนสุขโตพุเตสุอาขโตเมื่อหมู่แห่งพิสูจน์กำลังฉันอยู่เขาไปแล้วเมื่อฉันเสร็จแล้วมาแล้วมไม่ต้องเขาอีก็ได้มาแล้วเมื่อฉันเสร็จมาแล้ว โคสุทุยหมานาสุขโตทุทธาสุอาคโตเมื่อแม่โคถูกกรีดนมอยู่เขาไปแล้วเมื่อกรีดเสร็จแล้วมาแล้วชายมาในโคสาริปุตตะโพธิสเต อย่งางทศาสหัสสิโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทดิดูก่อนสากรีบุตรเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติอยู่หนึ่งมืนโลกกธาตุนี้สะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวแล้ว ปาานาสังราเจวะกะทลาขานุกันตากาสัพเพมขาวิวัตเชนติคัตฉันเตโลกนายเกเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จไปอยู่ก้อนหินทั้งหลายก้อนกัวดทั้งหลายเศษอิฐและเศษกระเบื้องทั้งหลายตอและหนามทั้งหลาย ทั้งปวงย่อมหลีกออกจากขนทางเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปก้อนหินก้อนกรวดเศษอิฐเศษกระเบื้องทั้งตอและหนามทั้งหมดพากันหลบหลีกออกจากหนทางโดยพุทธานุภาพนี่ไงครับนี่ไงมัชมะอัตตกขาเนี่ยไปพูดถึงพุทธเจ้าเสด็จ ทางที่เสด็จเนี่ยท่านอาน o ์กราบทูลว่าอย่าเสด็จทางนี้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเส้นทางเนี่ยขรุขระไม่ไม่เรียบเป็นวิสมะวิสมะมะะัคคะหนทางไม่สม่ําเสมอขรุขระพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาน o ์เราตั้งบําเพ็ญบารมีมาไม่รู้กี่อสงไขยแล้วไม่เคยหวาดหวั่นว่าจะเป็นที่มีขวากมีน้ําไปเถอะพระเจ้า สเสด็จนำนาพระอานนท์พระนน์นเดินตามหลังไม่ว่าอะไรอะไรหลบหมดเลยเทวดาเทวดาช่วยเทวดาที่เฝ้าสถิตเป็นภูมิทัตเทวดาเท่านั้นพอผพู้เจ้าผ่านมาไม่เก็บออกแล้วก็ศีรษะแตกเจ็ดเสี่ยงเนียช่วยกันเก็บอุตรุ์วุ่นวายถ้าเป็นของเราเดินสเปสปะเทวดาเห็นจะโยนก้อนอิดใส่ขวางหน้า ตัวมัชิมปันนาหมายถึงอะไรครับอะไรมัชิมะปันนาเป็นชื่อพระไตรปิฎกครับชื่อพระไตรปิฎกมัชิมาปันนามัชิมะก็แปลว่าพอกลางกลางปันนาก็แปลว่านั่นแะครับปัรณาสะนะแปลว่าอะไรปันณาสะปันนาสะปัญญาสะแปลว่าอะไรห้าสิบก็คืออยู่ระหว่างนั้นนะครับห้าสิบห้าสิบสำนวนไทยตอนนี้เรามาถึงจบวิพัฒน์ครบทั้งหมดตั้งแต่ปฐมมาถึงสัตตมีแล้ว ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยราว่าไปตามลำดับวิพัฒดาธรรมดานี่เอง